นะพูดถึงรัตนสูตรก่อนว่าเมื่อคราวที่เมืองไผ่าลีเกิดภัยพร้อมกันถึงสมอย่างนะเมืองไผ่สาลีเมืองไผ่าลีนี้ก็ห่างจากพุทธคยาไปก็ร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะห่างจากสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปก็ร้อยกว่ากิโลเกือบ200อกิโลก็ไม่ห่างจากเมืองราชครึกศักด์เท่าไหร่เดินทางวันเดียวถึงเนี่ยนะถนนแขกนะ ถ้าถนนไทยก็สักชั่วโมงกว่าๆอะไรก็ถึงแล้วถนนแขกคนนั่งเป็นวันๆเลยแหละเขาบอกว่าถนนแขกก็ดีกว่าถนนบางประเทศอีกนะถนบอกว่าจะชวนบางคนบอกไปเมืองราชเชครึกก็ไม่บอกไปไม่ได้เดี๋ยวตับรวนหมดกันมันขย่อยบ้างไอ้ทีเส้นตึงๆนั้นมันหย่อนหมดเลยนะะทีนี้เมืองไพรสาลีเนี่ยนะ เขบอกว่าเกิดเกิดภัยพร้อมกันสามอย่างคือทุกภิกขภัยภัยคือพิกษาอาหารเนี่ยหายากนะอดอยากเพราะอะไรเพราะฝนไม่ตกต้องมาลายปีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพอที่จะมีอาหารอาหารก็เลยหายากสองอมนุษย์ภัยภัยคือการที่ถูกอมนุษย์บิดเบียนเนี่ยนะคือหมายความว่าพออดอยากคนยากคนจนก็ตายพอคนยากจนตายปั๊บผีก็เริ่มเอาเรื่องแล้วนะพวกอมนุษย์ก็ระวาดทีนี้อ่า โรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็เกิดขึ้นแค่เรื่อโรคภัยเนี่ยนะโรคระบาดก็เกิดขึ้นอหิวาตกโรคก็ลงชาวเมืองก็ล้มตายกันเป็นจํานวนมากเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงก็รับสั่งเรียกพระนลให้แสดงพระองค์ก็แสดงรัตนสูตรแก่พระนลให้พระนลเรียนรัตนสูตรนี่เอาไว้พระนลเรียนไว้แล้วก็ถือเอาบาตรของพระศาสดาซึ่งเต็มไปด้วยน้ําเที่ยวเดินสวด ร, รัตนสูตรพร้อมทั้ง ระพรมน้ำในบาดไปทั่วเมืองด้วยอุภาพแห่งรัตนาสูตรพวกอมนุษย์ก็พากันหลีกไปเสียสิ้นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ปราศนาการไปชาวเมืองก็ปลอดพ้นจากภัยอีกครั้งหนึ่งพันรัตนาสูตรก็จัดเป็นภับปริษเครื่องป้องกันเนี่ยนะช่วยให้หลายๆอย่างดีขึ้นพันเนื้อความในรัตนสูตรก็ยานีทภูตานีสมาคตานีพมมานิวายานิวาอันตลิกเคที่แปลว่าพูดเล่าได้ที่ พูดเหล่าใดหรือภูมิเทวดาก็ดีหมู่พูดเหล่าใดที่เป็นเทวดาที่สถิตยอยู่ในอากาศที่มาพร้อมเพรียงกันทั้งหมดก็ดีขอหมู่พูดเหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นผู้มีโสมนัสหรือเป็นผู้มีใจดีมีใจดีแผ่เมตตาไปในหมู่มนุษย์เพราะอะไรเพราะมนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดที่นำพลีกรรมเป็นต้นเนี่ยคือคือมนุษย์ที่ที่พักดีนับถือเทวดาเนี่ยนะ ก็พากันบวงสวงอ้อนวอนบูชาเทวดาเพราะฉะนั้นให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในกตันอยู่รู้คุณของพวกมนุษย์ที่ที่ที่มาทําพลีกรรมให้เจริญเมตตาไปในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเสร็จแล้วพงค์ก็แสดงเป็นตัวสาระของรัตนสูตรว่ายังกินจีวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอัติถาคเตนาอิธรมเปตพุทธเทรัตนังเป็นต้นเนี่ยบอกว่า อยังกินจีวิตตังเนะี่ยทรับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะน ะ, ะยังกินจีวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสวาเนี่ยนะนะก็คือทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือหรือในโลกอื่นหรือรัตนะที่มีอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะทรับรัตนะเหล่านั้นทั้งหมดที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มี กล่าว่าสิ่งที่ปลื้มใจทั้งหมดในโลกเนี่ยนะสิ่งใดที่จะน่าปลื้มใจเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างคนที่มีเพชรเนี่ยนะบอกว่าเออเช่นรัตนะคือแก้วพลอยอย่างนั้นจะมีเพชรสวยมากตอนเห็นเนี่ยชื่นชมเนี่ยนะโสมนัสใช่ไหมพอดูเสร็จเนี่ยนะจะเก็บแล้วคันนี้เดือดร้อนนะเครียดเลยคันนี้นะ <c red s> เริ่มเครียดแล้วทํำยังไงดีจะต้องใส่ตู้เซฟห ร, รือเปล่าเขาบอกว่าถ้าใส่ตู้เซฟกันโจรกระจอกได้โจกรจ ก, โจกระจอกงัดไม่ได้แต่ว่ามหาโจรเนี่ยยกไปทั้งตู้เลยคันนี้ มันก็บางอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นเอ๊ะจะต้องกันยังไงดีรักษายังไงดีคือคือบางอย่างเนี่ยนะมันน่ายินดีเฉพาะในตอนต้นแต่เสร็จแล้วก็อย่างบอกโอ้ยได้รถคันงามเยี่ยมเลยนะแต่ไปจอดเสร็จแล้วเดือดร้อนอะไรกันนยจอดแล้วเขใครมาข่วนใครมาขีดใครมาทําอะไรบ้างหรือเปล่าน้ะเนี่ยนะกลายเป็นว่าเดือดร้อนเพราะมีรถคื อ, ค, อคือมันเปลื้อก็จริงแต่ว่ามันเปลื้มไม่นานใช่ไหมอย่างบางคนนี่แมปตอนที่ประดับแต่งตัวในกระจกเนี่ยนะเพชพลอยประดับงามระยี่ประยับไปหมดเนี่ยงามมากเลยนะ แต่งตัวเต็มองคนั่นแหละไปเดินตามที่ต่างๆในเริ่มเดือดร้อนนะนะหาผู้อารักขาทันทีเลยเดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะแสดงว่ามันปลื้มไม่จริงเท่ากับพระพุทธคุณผู้ที่เจริญพุทธคุณอยู่ด้วยพุทธานุสติเป็นต้นมีแต่ปีติอย่างเลี้ยวนี่นะมีแต่ปีติปราโมทถ้าปฏิบัติตามพระพุทธพจน์ด้วยยิ่งงูปีแตป่ปีติปราโมทปีติที่ประกอบไปด้วยปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเกิดจากวิเวทยิง่งปีติในปฐมฌานด้วยยิง่ง เรีกว่ามีพลานุภาพยิ่งใหญ่นักพันทรัพย์หรือรัตนะเครื่องปลื้มใจที่จะเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเพันธ์พระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะถ้าเรารู้พระคุณของพระองค์และลึกถึงพระองค์ตอนนี้ก็ปลื้มใจและลึกตอนป่วยก็ปลื้มใจก่อนตายและลึกถึงพระพุทธเจ้ายิ่งปลื้มใจแต่ถ้าเป็นทรั์อย่างอื่นทั่วๆไปเนี่ยนะไอตอนได้เนี่ยอาจจะปลื้มใจเริ่มรักษาก็เริ่มเครียดแล้วจะเนี่ยเดือดร้อนเพราะการรักษาไอ้ก่อนตายเนี่ยถ้ามีใจพัวพันเกิดที่ไหนดี ก็เป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์ในพบต่อไปเนี่ยนะในฐานะอะไรปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นหนูเฝ้าทรัพย์ก็มีหนูเฝ้าทรัพย์ก็มีอย่างหนึ่งงูเฝ้าทรัพย์ก็มี <S <S ดีหน่อยก็เปรตเฝ้าทรัพย์ดีกว่านั้นหน่อยก็เป็นเทวดาเฝ้าทรัพย์มันก็มีหลายกลุ่มนะแล้วอยู่กลุ่มไหนก็ว่ากันไปเพราะมีทรัพย์เนี่ยนะก็อย่างเข้ามานึกถึงนะโอ้ยอย่างในโลกเนี่ยนะใครหลายๆคนสแสวงหาทําทุกอย่างเพื่อให้มีบ้านสักหลังหนึ่ง เอาไหมมีบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายเพราะไหนๆก็หามาจนตายเนี่ยนะขอให้มีบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายเอาไหมทำเป็นไม่เอาแต่ว่าหาแท บ, บตายเนี่ยนะเขาไม่เอาจริงๆเล้ยังบางคนนี่บอกว่าเขาบอกว่าชาตินี้ถ้ามีอะไรสักอย่างที่เขาปลื้มใจเนี่ยนะถามว่ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายเอาไหม เขาบอกโอ้อย่างบางคนเนี่ยนะโอ้ยรักลูกมากห่วงลูกมากคิดถึงลูกเนี่ยทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกเจริญเอาไม่มีลูกก่อนตายเป็นอารมณ์ก่อนตายก็ขอคิดถึงลูกคนนั้นแล้วค่อยตายนะนะก็คิดให้ดีกันแล้วกันว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งที่น่าปลื้มใจจริงๆในที่สุดเสมอด้วย พระพุทธรัตนะไม่มีด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เ่าสัตว์ก็คือในสรรพสัตว์ทั้งหมดมีสัตว์ไหนที่มีใครมีสิ่งใดที่น่าปลื้มใจเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยข้อความเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าอยู่ในรัตนะสูตรเนี่ยนะไม่น่าลืมเลยน่าเสียดายไปท่องมั่งมาครั้งแล้วจะมาให้สาธยายให้ฟังครั้งนี้บอกว่าทําท่าจะลืมเลยไม่ให้สาธยายเดี๋ยวจะเสียหน้าเสียตาหมด มันก็อยู่เท่าเดิมนั่นแหละไม่ได้หลุดไปไหนหะรอกหน้าตาเพราะในรัตนสูตรเนี่ยเป็นการกล่าวถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยนะเพราะใครที่อยากจะทรงจํารายละเอียดกับพระพุทธคุณเป็นต้นก็ดูในรัตนสูตรแต่ทีนี้รัตนสูตรก็ได้ข่าวแว่วๆมาสักพักสักสองชั่วโมงก่อนหน้านี้ว่ามีผู้มีศรัทธาจะทําแจกนะมีผู้มีศรัทธาเขาจะพิมพ์แจกมันก็คอยรอเอากันล้กันอีกพักหนึ่ง แต่ถ้ารอไม่ไหวก็ไปอ่านเอาก็ได้ในเล่ม47 <c oughs> เล่ม47กับเล่ม39มีอยู่2 2เล่มเล่ม39ในคุถะปาฐะชื่อว่ารัตนาสูตรเล่ม47นะสุตตานิบาตก็ชื่อว่ารัตนาสูตรเนื้อหาเหมือนกันเป๊ะแต่แปลโคลอาจารย์ก็เลยต่างกันนิดหน่อยอัตอนนี้กำลังจะพูดพอดีเลยนะ ทีนี้ข้อความในเมตตาสูตรเนี่ยนะเาเรียกว่าเมตตาสูตรไอ้เมตตาสูตรที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยโดยมากเนี่ยสวดอนิสงส์เมตตานะไม่ได้สวดวิธีเจริญเมตตานะบอกว่าอะไรนะ เมตายาภิกเเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพหุริกตายะเป็นต้นเนี่ยคำพูดนั้นที่พระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเมตยาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอ่อ น, นิสงฆ์มากอ น, นิสงฆ์ผู้ที่เจริญอย่างนี้มากพึงหวังอ น, นิสงสิบ1อ็ประการได้เลยเนี่ยนะอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างขึ้นต้นอะไร พวกนี้ก็คือเช่นอนนะะอืะเดี๋ยวขึ้นต้นบาลีว่าไงไหมครูอ๋อยังเดี๋ยวก่อนเอาอา น, นิสงส์เมตาก่อนนะนก็คือนี่ยนะเอกาทัศน์ในสังสารเนี่ยนะคือปีโยหมายความว่าเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะ แล้วก็หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายนะแล้วก็สีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรนะไฟน้อ่ไฟสาตรายาพิษก็ไม่กล้ามกลายได้แล้วก็ก็อ่ถ้าหากว่าก่อนตายเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะละลึกได้ในก่อนตายแล้วก็ไปสู่ถ้ายัง ไม่สิ้นกิเลสก็ไปสู่พรหมโลกอันนี้เป็นอนิสง์ของเมตตาโดยทั่วๆไปโดยมากจะสวดอนิสงค์ของเมตตาแต่จะไม่กล่าววิธีเจริญเมตตาแต่ถ้าวิธีเจริญเมตตาก็อยู่ในกรณียเมตตาสูตรเนี่ยนะก็กรณียเมตตาสูตรก็คื อ, อมีอยู่พระพิสุกกลุ่มหนึ่งไปไปอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นป่าที่มีผีดุมากนั่นเถอะผีดุมาก นี้พอไปอยู่หน้าป่าแห่งนั้นผีหลอกซะจนพร้อมฉันอาหารไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ยอมหนีไปอยู่นานเข้ามันก็ไม่ไหวกันจริงๆะนะเพราะว่ามันรุนแรงมากก็เลยกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพราะไม่เอาอาวุธไปอันนี้เอาอาวุธไปก็แล้วกันพระองค์ก็เลยสอนการนิยเมตสูตรเนี่ยนะว่าการนิยมัทธกุศเลการนิยมัทธกุศเลนยันตังสันตังปดังอภิสมีเจาสากุโฉชั่งหูชั่งหัวชจ่งสมุทวานาติมานีเป็นต้นเนี่ยนะ ที่เขาสวดกันก็แปลว่าตรงนี้เขาแปลว่ากิจอันใดอันพิสุผู้ฉลาดในประโยชน์ใครจบับรรลุพระนิพพานมีอยู่พึงกระทำนะกิจที่ต้องกระทำเนี่ยนะพิษูผู้สามารถจะต้องเป็นคนซื่อตรงซื่อตรงดีนักว่าง่ายอ่อนโยนและไม่มีอติมานะพึงกระทำกิจนั้นแต่ถ้าเป็นอีกสำนวนหนึ่งก็จะแปลว่าอีกสำนวนหนึ่งว่าคุบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบดนั้นพึงเป็นผู้อัตถานเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบาเนี่ยนะมีอินทรีย์อันสงบแล้วแล้วก็ไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆซึ่งเป็นเหตุให้วินยูชนติเตียนได้เมื่อมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็บอกว่า สุขิโนโนวาเคมิโนโหฮนตุสัพเพสพตาก็คือขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเถิดเนี่ยนะนะสัตสัตมีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งเยเกจิเนี่ยนะ สัตว์เหล่าใดาเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดามีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นพร้อมหรือพีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนๆไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้น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 กุลบดผู้เจริญเมต่านั้นเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็เพิง่งเจริญเมตตาไว้โดยอาการอย่างนั้นหรือตั้งเมตตานี้ไวด้วยอาการอย่างนี้ น, กากานะนะการเจริญอย่างนี้เนี่ยในวินัยของพระเรียเจ้าเรียกว่าพรหมมิหารหรือว่าเรียกว่าพรหมมิหารในวินัยของพระเรียเจ้าเสร็จแล้วตอนท้ายพระองค์ก็ให้เจริญวิปัสสนาว่าและกุลบดผู้เจริญเมต่านั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิ ไม่อาศัยที่ถิ่ด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะด้วยโสดาปฏิมักไม่เข้าไปอาศัยที่ถิ่เป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะคือโสดาปฏิมักเนี่ยนะย่อมไม่ถึงความนอนในคันด้วยอนาคามีมัชชนีลนะแลเนี่ยนะก็ น, นันก็เป็นข้อความที่พระองค์บอกว่านี้ก็เป็นเครื่องป้องกันนะเป็นรัตนะเป็นเครื่องป้องกันถือว่าเป็นปริศอย่างหนึ่งที่ให้ให้สวดบ่อยๆให้สาธยายบ่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ป่าเนี่ยนะอยู่ป่าอยู่เมืองก็สาธยายได้ก็ไม่ได้ห้ามนขนาดอยู่ป่ายังสาธยายได้จะ ก, กล่าวไปยายถึงอยู่เมืองอนเนี่ยก็ให้สาธยายบ่อยๆระลึกบ่อยๆเป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเครื่องป้องกันเนี่ยนะเครื่องก้องป้องกันอันเมื่ออยู่ด้วยเมตตาดังกล่าวเนี่ยนะจะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดารักษาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเนี่ยนะไม่ฝันร้าย ไฟสาสตรายาพิษเป็นต้นก็ไม่กล้ามกลายนะเมื่อถ้ายังคุณธรรมไม่ได้อย่างอื่นที่สูงคืออรหัตมักอรหัตผลยังไม่ได้ก็มีพรหมโลกเป็นที่ไปะนั้นก็ขอให้อยู่ด้วยเมตตาและพระองค์ก็สรรเสริญว่าผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาแม้ชั่วชั่วอะไร ล, ลัดนิ้วมือหนึ่งก็มีผลมากเนี่ยนะก็มีผลมากอันนิสง์มากได้แล้วก็ไม่บริโภคอาหารของชาวเว่นแคว้นโดยเปล่าเนี่ยนะ บริโภคอาหารอย่างมีประโยชน์ก็ด้วยการเจริญเมตตาเพราะเมตตาเมตสูตรนั้นก็ชื่อว่าเป็นปริษเป็นเครื่องป้องกันที่ดีนะก็ควรเจริญเ่ยนะแม่ครูก็เจริญได้ไเป็นภาษาภาษาบาลีหรือภาษาไทยอ๋อภาษาบาลีนะถ้าได้ภาษาไทยด้วยแจวเลยเพราะว่ามันมีเมตตาจริงๆด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเจริญนเนี่ ถ้าเจริญเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะถ้าเป็นลักษณะเป็นเครื่องป้องกันก็ดีดีกว่าไม่สวดเนี่ยนะแต่ว่าแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าว่าเป็นภาษาไทยได้จะดีเพราะว่ากุศลจิตจะเกิดมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็เป็นเครื่องป้องกันเนี่ยนะอ่ะกากรณียเมเตาสูตรนี่ก็อยู่ในเล่ม 3, 9ก็มีเล่ม 4, 6ก็มีอยู่เล่มี่กท้ายๆเล่มอะนะท้ายๆเล่ม46จะมี ก็ไปอ่านไปท่องเอาก็แล้วการพื่จะเป็นเครื่องป้องกันโอ้ยโฆษณามันดีไปหมดเลยนะทีนี้ปัญหาว่าไอตอนไปเปิดเนี่ยไอนั่นก่อนหน้าเอาอันนี้ก่อนหน้าเอาเปิดเสร็จก็หาเก็บไว้ก่อนอตรงนี้แหะมันยากใจเนี่ยนะรู้ทําไงก็ก็ให้เขาเขาเจริญเนี่ยนะเขาก็เจริญเนี่ยนะตื่นขึ้นชะก่อนนอนก็เจริญตื่นเช้ามาก็เจริญนึกได้เมื่อไหร่ก็เจริญเนี่ยนะก็ให้ระลึกได้บ่อยๆ มันไม่ยาวหรอกเชื่อเหอะเอาเวลาที่เหลือไปฟุ้งซะหมดเนี่ยนะที่จริงบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ว่าอายุคนอายุมากระดับหนึ่งเนี่ยนะตื่นบางคนได้ตื่นวันหนึ่งเกินสิบแปดชั่วโมงอันน้ใช้เวลาที่มันเป็นการเป็นงานจริงๆอยู่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกสักสองชั่วโมงก็เสร็จการเสร็จงานแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยอะไร ฟุ้งซะส่วนใหญ่เพ้อเจ้อบ้างฟุ้งบ้างคิดไปเรื่อยเปื่อยเป็นต้นเนี่ยนะโดยมากใช้เวลาไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเอาเออเวลาที่ไม่มีประโยชน์แทนที่จะคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะลูกคิดถึงครั้งเดียวก็พอแล้วบางทีอะบางทีบางเรื่องนะเชื่อไหมเราเราจะใช้ความคิดกับบางเรื่องเกินไปบางเรื่องควรคิดสัแค่ครั้งสองครั้งออกไปคิดสะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะบางอย่างคิดเสร็จแล้วก็คิดวนแล้ววนเล่าวนแล้ ว, ว, ล ว, ว, ลวอยู่เล่าว่งวนเหมือนวิญญาณพระเนจรอะนะ มันก็แผนจริงๆนะมันลอยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยบางเรื่องมันคิดเกินไปแล้วบางอย่างนะเขาบอกว่าอะไรที่เราคิดบ่อยๆคิดมากเนี่ยเชื่อไหมว่าเราจ่ายเรื่องนั้นแพงไปจ่ายอริยทรัพย์เกินไปว่างั้นนะจ่ายกุศลจิตมากไปแล้วเนี่ยนะสมมติถ้าเราต้องไม่สบายใจแล้วเก็บมาคิดบ่อยๆแปลว่าเราจ่ายกุศลจิตเราเกินไปแล้วนะสูญเสียกุศลจิตมากเกินไปเพราะถ้าเราเสียดายกุศลจิตเราบ้างจะดีไม่ใช่น้อย วันวันหนึ่งเนี่ยนะเหมือนกับว่าให้ให้เวลาสิบแปดชั่วโมงคุณจะเจริญกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะจะจ่ายอริยทรัพย์เปลืองหรือไม่เปลืองก็ดูว่าตื่นแล้วทำอะไรเพรันอย่างคนอายุที่เกษียณแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเวลาเยอะอ้างโน่อนอ้างนี่จนไม่ได้เจริญแต่ว่าไม่เห็นอ้างความตายสำเร็จสักคนเลยนะก็ก็อย่าลืมบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะ บอกโอ้ยห่วงลูกห่วงล้านบางคนบอกโอ้ยศึกษาธรรมะไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลองเอาเถอะเลี้ยงเขาจนเขาโตแล้วเราก็ตายแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยเขาจะยอมรับเราไหมไปเกิดที่อื่นนีแล้วระ ล, ล, ลึกชาติได้จําได้ด้วยฉันนะเคยเลี้ยงแกมานะนี่ก็ทรัพย์ของฉันฉันไปซื้อไปขายมาระ ล, ลึกชาติได้จําได้หมดเลยเขาจะแบ่งให้บ้างไหมนะมาขอสักครึ่งหนึ่งเหรอในฐานะอดีตชาติที่แล้วเป็นของฉันเขาจะให้สักครึ่งหนึ่งไหม จากนี้เขาจะให้ไหมสักครึ่งหนึ่งเขาอจะไล่แต่เพิ่เอาไปร้อยหนึ่งไรีบไปเลยไปไกลๆเลยนะหาแทบตายบอกห่วงแทบตายห่วงจนตายเสร็จแล้วกลับมาใหม่แบบอนันตเสรษีอ่ะครอในในชาดกในธรรมบทนะอนันตเศถษีเนี่ยระลึกชาติได้จําได้วันนี้มันบ้านตัวเองก็ระลึกชาติได้จําได้จะเดินเข้าบ้านไอทหารพวกยามไล่หนีออกหมดเลยยามไล่หนีเลยนะย บาั้งที่ว่าไอ้ของตัวเองทั้งหมดอะทำมาจนตายแบบนั้นแต่หวงมาจนตายตายแล้วที่สุดหวังว่าจะกลับมาใช้ของเก่าของตัวเองก็เลยะนนยากจริงๆอันนะถึงว่าเล่าได้ถูกต้องอะไรถูกต้องก็ใช่ว่าเขาจะอะไรนะเขาจ ะ, จะจะสนใจอะไรสักเท่าไหร่หรอกนี่นะไม่รู้เขาจะยกให้สักเท่าไหร่เชียวนะพันเราก็เพิงทบทวนให้ดีเหมือนกันนะต้องอย่าลืมว่าอะไรเป็น เป็นประโยชน์ต้นอะไรเป็นประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของผู้อื่นถึงจะมากขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกน่ยนะนะก็คือจริงอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าการสงเคราะห์บุตรภริยาเป็นต้นเนี่ยเป็นมงคลแต่ว่าให้มันพอดีนะไม่ใช่มงคลมีอยู่ข้อเดียวนะจะเอาแต่มงคลข้อเดียวเนี่ยสงเคราะห์บุตรภริยาจนลืมมงคลอีก37ข้อถ้าอย่างนี้ก็เดือดร้อนยังไงยังไ ง, ง, ไงก็อย่าลืมมงคลที่เหลือด้วยนะเหมืองกัน ทีนีส่วนขันธะปริษขันธะปริจเนี่ ย, ยมีอยู่ในขันธะชาดกอันนี้อยู่ในชาดกที่ว่าวิรูประเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมเนี่ยนะก็คือขอความเป็นิตรหรือขอความเมธขอความขอขอความเมตตาเนี่ยนะของเราจงมีแก่พวกนาคสกุลวิรูประ อันนะขอความมีเมตตาของข้าพเจ้าจงมีแก่พวกนาคสกุลเอราปถะขอความเมตตาของข้าพเจ้าจงมีแก่พวกนาคสกุลชัพพยาปุตตะขอความเมตตาของข้าพเจ้าจงมีแก่พวกนาคสกุลโคอัดกันหาโคตมะเนี่ยโคตมะกะบางแห่งบอกว่าโคตมะกะก็คือวิเนี่ยการเจริญเหล่านี้เนี่ยก็คือเจริญเมตากับงูงูในโลก โดยทั่วไปมีอยู่4ตระกูลคือตระกูลวิรูปักขะตระกูลเอราปะตระกูลชัพยาปุตตาและตระกูลกันหาโคตม ก, กะมันก็พวกงูทั้งหลายมีอยู่4ตระกูลมันก็ให้เจริญเมตตาันนี้สูตรนี้ก็มีอยู่ในอหิสูตรอังคุตรนิกายจตุกะนิบาศเล่มเล่มใช้ราจูทุกวันก็เล่ม34เนี่ยนะก็อีกที่หนึ่งก็คือในใ น, ในวินัยก็มีมันก็ก็ให้เจริญเมตตา พิสูจทั้งหลายผู้ประพฤติ ธ, ธ ร, รมอยู่ในที่สงัดในการก่อนเจริญเมตตาจิตก็ใช้บทเรล่านี้สาธยายคือตัวที่รักษาจริงๆคืออะไรรู้ไหมเมตตาที่เกิดจากตัวเองสาธยายแบบนี้บ่อยๆเมตตาก็เกิดขึ้นอะโทสะก็เกิดขึ้นเมื่ออะโทสากเกิดขึ้นตัวนั้นแหละเป็นตัวป้องกันภัยคือตัวอโทสะนั่นแหละที่เกิดจากการตรึกพิจารณาพระธรรมไปวันที่บอกว่าขอความ ขอความมีเมตตาของเราจงมีแก่พวกนาสกุลวิรูปักขะเป็นต้นเนี่ยอ น, นวิรูปักเคหิเมเมตตังเมตตังเนี่ยนะก็คือขอให้มีความเมตตาของข้าพเจ้าจงมีแก่ตระกูลพญานาคทั้งหลายเหล่านั้นก็คืออนุภาพของเมตตานี่แหละทาให้งูทั้งหลายเป็นต้นไม่กัดเนี่ยนะพันธุที่เจริญเมตตาสาธยายก็ป้องกันอ่าเพศภัยอันตรายที่เกิดจากงูเพราะฉันอาจารย์เจริญเมตตาต่อ ง, งูเป็นต้นก็ ก็ป้องกันไม่ให้งูเป็นต้นเนี่ยกัดส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าโมระปริศในโมระชาดกที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกยูงเนี่ยนะสาธยายป้องกันภัยจากบ่วงแล้วของนายพรานที่บอกว่าอุเททยันจักขุมาเอกราชาฮริสวรนโนปทเวปปภาโซตังตั ง, ตงนามาสามิฮริสวันนัง ป, วปงวทวปปภาสังตยัจฉกุตตาเวหะเรมุทิวสังถ้าตอนเชา้าถ้าสวดตอนเช้าก็มุทิวสังถ้าตอนเย็นก็น อ่ตยัตจคุตาวิหารมูรติง่งประแล้วก็ก็มีต่างกันนิดหน่อยเขามีสวดบทสวดช่วงเช้ากับสวดตอนเย็นที่ใจความก็บอกว่าพระอาทิตย์ผู้มีดวงตาเป็นเอกราชาการนั้นในบรรดาแสงสว่างดวงอาทิตย์เป็นพระราชาแห่งแสงสว่างใช่ไหมดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นมาในตอนเช้าก็มีสีเหมือนทองตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ส่องเรียกว่าแสงเงินแล้วก็แสงทองแสงทองแล้วแสงเงินหรือแสงเงินแล้วแสงทอง ก็จะมีแสงทองบอกบอกว่ามันมีสีเหมือนทองสว่างสวัยไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ผู้มีสีเพียงดังสีทองส่องสว่างไปทั่วปฐพีขอข้าพเจ้าทั้งหลายได้ท่านคุ้มครองแล้วจงเป็นอยู่เป็นสุขในวันนี้ตลอดวันเถิดเป็นต้นยังมีรายละเอียดเองนะเขามีการนอบน้อมพระโพธิยานนอบน้อมผ้าละหันด้วยนะไม่ใช่นอบน้อมแก่แค่ดวงอาทิตย์นะเขามีการนอบน้อมผ้าละหันด้วยนะ ในในในโมระโมระปริษเนี่ยนะโมระชาดกเขามีคำนอบน้อมผ้ารหัน์นอบน้อมอพระโพธิญาณด้วยเนี่ยนั้นอั น, อนโมระปริษนี่ก็ชื่อว่าเป็นเครื่องป้องกันสมัยาบางท่านก็นิยมสวดเชา้าสวดเย็นเนี่ยนะสาธยาเช้าเย็นเป็นต้น โมระ ป, ปริตนั้นโดยทั่วไปก็อนุภาพของการนอบน้อมพระตะนาตรัยนั่นแหละนอบน้อมพระอาหารหันต์นอบน้อมพระโพธิญาณของนกยุงนั่นแหละเป็นเครื่องป้องกันอีกสูตรหนึ่งคือทชักขา ป, ปริตเนี่ยนะทะชักขแ้แปลว่าทชักขา้าแปลว่าทงทะปริตที่ว่าด้วยทงก็คือในทชักขสูตรเนี่ยนะมีว่าเกิดสงครามระหว่างพวกเทวดากับอสูร ท้าวสะกะจอมเทพก็รับสั่งกับเทวดาทั้งหลายว่าเมื่อพวกเทวดาเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าขึ้นก็ขอให้มองดูยอดธงของพระองค์เมื่อมองดูยอดธงของพระองค์แล้วความหวาดกลัวความขนลุกขนพองสยองกล้าวก็จะหายไปนั่นนะ คือหมายเขาว่าเวลารบกันเนี่ยนะพวกพวกรบเนี่ยนะไอ้ฆ่าศึกเวลารบศึกเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยรบแบบประจันหน้ากันเนี่ยแม่ชักจะถอยแล้วพอเห็นธงเข้าก็เออธงเรายังไม่ถอยนี่ก็จะมีการบุกต่อต่อไปเขามีกฎอายการศึกอยู่อันหนึง่งถ้าถอยแล้วตายเนี่ยนะก<ม>็หมาว่าถอยแม้แต่ก้าวเดียวก็ถือว่าประหารเนี่ยนะเขาเขากดแบบโบราณเ น, นี่นะฟันเข้าเลยไอ้ที่ไปฟันนี่บางทีเพราะถอยแล้วก็ตายตามเดิมในไหนก็จะไปตายข้างหน้าเผื่อจะชนะเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นกฎอายการศึกโบราณอย่างหนึ่ง อันนี้แต่พูดพูดถึงเทวดาเนี่ยถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเทวดามันรบยังกันเล่นกันไม่ได้ฆ่าอะไรกันหรอกมันก็ยังกันเด็กเล่นกันอ่ะนะมันก็เด็กเด็กทะเลาะกันแค่นั้นอ่ะเอาไม้มาตีปอกป๊กปอกป๊กอะไรไม่มีกันฆ่ากันจริงๆหรอกทีนี้ไอ้มันก็เพียงแต่ว่ามันแบบแผ่อํานาจกันข่าใหญ่ข่าใหญ่แบบเคยดูอันนั้นไหมหนังตะลุงอ่ะคล้ายๆหนังตะลุงนั่นแหละมันก็มืนก็โอ้จะเอาเป็นเอาตายก็คำรามแล้วก็กระทืบพื้นกันนั้นแหละไม่ได้ฆ่าอะไรกันจริงๆหรอก ก็กลัวก um> ันไงนะแต่น euh ี่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ะเทือพื้นหรือยกดาวขึ้นมาทางนี้ก็ขนลุกก็บอกดูธงไว้ดูธงไว้ถ้าดูธงไว้ท่านจะได้เลิกกลัวนะถ้าท่านดูธงไว้ท่านจะหายกลัวเนี่ยนะคือข้อความที่เรียกว่าทชักขะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นไม่ได้หายกลัวจริงหรอกทีนี้สมมุติถ้าพูดถึงพระภิกษุบ้างล่ะตอนนี้อรันเยรุขมูเลวาสุญยาคาเรีวพุขโวเป็นต้นเกิดพระภิกษุไปอยู่ป่าอยู่เขา อยู่โคนไม้เรือนว่างเกิดอาการขนลุกขนพองสยองเก้าเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วทาไงพระองค์บอกว่าให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผ้ารัานก็คือทิปิโสนั่นแหล ะ, ะถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไม่หายกลัวให้ระลึกถึงพระธรรมว่าสวากขาโตภควะตาธรรมโมเป็นต้นถ้าระลึกพระธรรมก็ยังไม่หายกลัว ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เนี่ยนะสุปฏิพันโนพระควะโตเป็นต้นอันนี้คือใจความในะทะชัชชคปริษเนี่ยนะก็คือที่มาของทําไมาเรานิยมสวดอิติปิโสกันก็คือคัดย่อบางส่วนมาจากทชัชคัปปริษให้มาระลึกกันเพราะเป็นเครื่องป้องกันเนี่ยขนาดป้องกันความกลัวในใจก็คือไอความกลัวความขนพองสยองกล้าวเนี่ยนะมันมันทำให้อับปัญญานี คือสมมุติถ้าเรากลัวเรื่องอะไรแล้วเราจะมีปัญญาคิดแก้ไขปัญหาไหมแก้ไขสถานาการณ์ไหมการตามระลึกอย่างนี้ทำให้ความขนลุกขนพองสยองกล้าวหรือเราเรียกว่าโทสะความคลาดความสะดุ้งความหวาดความกลัวนั้นก็จะสิ้นไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นรู้วิธีแก้ปัญหาคน ท, ทั่วไปนี้ถ้าตกอยู่ในอาการตกใจแล้วมันคิดปัญหาอะไรไม่ออกเนี่ยนะเพราะการเจริญภาพปริอย่างน้อยที่สุดก็ทาให้มี สติมีสัมปชัญญะระลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงคุณของพรนะรัตนตรัยเมื่อไม่เผลอก็เหมือนกับว่าตัวเองมีที่พึ่งมีที่ป้องกันก็สามารถทำให้มองวิธีแก้ปัญหาในในิยต่างๆได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะพระปริศเหล่านี้ก็เพื่องป้องกันอาบมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นในเรื่องอนายทารุษสาติกะเนี่ยนะในคาถาธรรมบท กล่าวถึงเด็กที่สาธยายพระพุทธคุณเนี่ยนะสาธยายพระพุทธคุณไว้บ่อยๆ อ, ยอ่มนุษย์เนี่ยทำอะไรไม่ได้อามนุษย์ไม่ทำร้ายเนี่ยนะอามนุษย์ไม่ไม่ไปประทุษร้ายเพราะอนุภาพของการเจริญอ่พระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นเครื่องป้องกันปกปักรักษาอีกสูตรหนึ่งก็คืออ า, า อ, อาตาอาตาิตยปริฤ์เนี่ยนะหรืออาตานาติยสูตร เป็นคําสอนที่พระองค์สอนให้นอบน้อมอันนี้สูตรนี้เป็นคําพูดของท้ของของเท้ามหาราชไปไปไปขอร้องอ่ะนะไปไปขอร้องให้พระพุทธเจ้าบอกพระภิสุให้เจริญพระปริศเนี่ยให้ให้นอบน้อมพระรัตนะตรายนอบน้อมพระพุทธเจ้าวิปัสสิสานัมมัทโทจักโคมันตาสาสเริมโตสกิสปินัมัทโทสั อนัสสะพูตัสานุกัมปิโนเวสะพูสานามัตุกมหาตะกาสะตะปัสสิโนนามัตุกกุสันทัสสะเป็นต้นเนี่ยเขาก็มีบทสวดเหล่านี้ให้พระพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยนอบน้อมเพื่อป้องกันพวกยักษ์เป็นต้นเพราะว่าไม่ใช่พวกอมนุษย์หรือพวกยักษ์จะเลื่อมใสคือคืออย่างภาษาไทยเราใช้คําว่าผีผีเนี่ยนะมันเป็นคําที่พูดไม่จําแนกคําว่าผีที่ภาษาไทยใช้เนี่ยบางทีก็หมายถึงเปรตบางทีก็หมายถึงอสุรกายบางทีก็หมายถึงเทวดา แต่ทีนี้อันนี้ยกเฉพาะกลุ่มเทวดาก่อนว่าบางทีพวกเทวดาเทวดาก็เป็นกลุ่มยักษ์เนี่ยนะกลุ่มยักษ์ไม่ได้เป็นผู้เลื่อมใสในพระศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้อาจจะเบียดเบียนพระภิสุเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นให้พระพิสุเรียนวิปสัสสนาธรรมะถุเป็นต้นเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องป้องกันยักษ์เหล่านั้นอะที่มาของเอาบทเหล่านี้ไปไปสวดพอเป็นฐานยักษ์ประกอบอาชีพได้สบายๆเลยนะ ไม่น่าเชื่อเลยเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้ผ่านยักษ์ไปใช้เลยนะแล้วก็เอาวิปัสสาษนั่นแหละไปสวดไม่ได้เอาอะไรที่ไหนไปสวดหรอกก็บอกว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าวิปัสสีผู้ทรงมีพระจักสุพระองค์ผู้มีสิริเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำพูดของเท้าเวสสวรรค์ที่ ทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้อนุญาตแก่พระพิสุผู้อยู่ป่าประพฤติกันสวดสาธยายเพื่อป้องกันจากอันตรายจากพวกยักษ์มาเบียดเบียนข่มเหงเป็นต้นส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออังคุลิมาลปริสนี่นะอังคุลิมาลปริส พระฤทที่พระองค์ขริมาณกล่าวกับหญิงผู้มีขันว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสัญจิตจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสธิเตหนตุโสธิขภัสสะน่นะนะบอกว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติคือตั้งแต่มาบวชมางั้นเถอะนับตั้งแต่วันบวชมาเราไม่รู้จับปรองศักจกชีวิตเลยไม่เคยมีเจตนาคิดฆ่าเลย ด้วยคําสัตย์นี้ขอท่านจงมีความสวัสดีตั้งแต่เกิดในอริยชาติตั้งแต่เข้ามาบวชในพระศาสนาไม่เคยมีจิตคิดจะฆ่าเลยด้วยคําสัตย์นี้ขอให้ท่านสุขสวัสดีก็แล้วกันขอคันของท่านจงถึงสุขความสวัสดีเถิดอย่างนี้เมื่อกล่าวจบลงหญิงคนนั้นก็คลอดลูกง่ายคลอดโดยง่ายทันทีอันนี้จึงเป็นคําพูดที่หญิงมีคันแก่ทั้งหลายนิยมใช้บริกรรมเพื่อความสวัสดีหรือพระภิกษุที่ ที่เราเรียกว่าอะไรนะโบราณก็ใช้ก็ว่าให้น้ำมนหญิงมีคันดื่มก็สาธยายอันนี้แล้วก็เป่าน้ําไปเนี่ยนะก็เลยจริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้ละแต่ว่าเขาก็ทํากันอย่างนี้แต่ก็ในคัมภีร์ก็ยกย่องอ่ะนะยกย่องแต่ก็เคยมีพระพิสุระบางรูปทําอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็เล่าว่าคลอดง่ายโดยท่วนกันกระมางนั้นนะใครที่คันแรกๆคันเป็นต้นเนี่ยก็ให้ให้ผู้ที่เขามีความเข้าใจในบทเหล่านี้สาธยาย เป็นภาพประิตก็อาจจะช่วยได้นี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะภาพปริตเนี่ยใช้กับคนจะตายไม่ได้หรอกเนี่ยนะคนตายก็ใช้ไม่ได้หรอกคือคนที่ทําอนันตริยกรรมก็ใช้ไม่มีประโยชน์คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันแล้วกันเอาเป็นว่ากแ็แค่นี้ก็แล้วกันเดีนะเพราะว่าแหมไม่เชื่อสัอย่างเนี่ยนะ <pushed. S 1> ม, มัยกนก็จบเลยนะทาอะไรได้ <S <S. <S คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์เนี่ยนะมันจริงก็เหมือนกันเล่นเล่นก็เหมือนกับจริง ที่มันก็หายจริงๆอ่ะไม่น่าเชื่อแต่ถ้าหากว่าไปยุ่งกับพวกนี้มากเสียเวลาเห็นไหมพุ้นวายคือคือมันยังไงอ่ะมันมันมีสิ่งที่มันมีสาระมากกว่านะสิ่งที่มันมีสาระมากกว่าไปสนใจพวกนั้นมากก็จิตใจก็วิตกกังวลแล้วก็เลยเรียกไสยศาสตร์นะคล้ายๆกลุ่มเนี่ยคือกอ็พวกเวทมนต์เหล่านั้นกับภาพรปริษ์ที่ให้สวดเนี่ยต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงที่ว่าโดยมากพวกนั้นทำด้วยความเชื่องงมงายเนี่ยนะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาและไม่เป็นกุศลซะส่วนใหญ่บางทีไม่เป็นกุศลอะไรแล้วก็เอาไปใช้แบบผิดๆก็ได้แต่ถ้าพัะประดิษฐ์ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเป็นกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นกรรมฐานด้วยเพราะว่าเป็นพุทธานุสติบ้างเป็นเมตตาบ้างเป็น คืออยู่ในกลุ่มอนุสติกับพรหมวิหารนั่นแหละพวกพระประิษทั้งหลายเนี่ยนะเป็นพวกอนุสติกับพรหมวิหารนั่นเองนั้นจึงไม่ได้ขัดอะไรกับคำสอนเนี่ยนะ